ประสบการณ์หลอนหอพักแฝดย่านบางแสนสัมผัสสยองปุยฝ้ายเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวบางแสนจริงๆเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนเพราะบ้านนาะอยู่แถวชนบุรี ปุยฝ้ายพักอยู่หอพักแห่งหนึ่งแถวแถวมหาวิทยาลัยเป็นตึกแฝดแชั้นวันแรกที่พ่อกับแม่แล่ะนาะพาปุ๋ยฝ้ายมาอยู่หอซึ่งหอแห่งนี้ปุ๋ยฝ้ายหาจากทางอินเทอร์เน็ตแต่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นครั้งแรกก็ตอนจ่ายค่ามัดจำแล้วปุ๋ยฝ้ายไปจ่ายค่ามัดจำอีกตึกหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตึกแฝดไปประมาณ100เมตรตอนแรก ปุยฝ้ายก็รู้สึกดีนึกว่าจะได้อยู่ตึกที่มาจ่ายค่ามัดจำแต่พี่คนดูแลหอบอกว่าไม่ใช่แต่เป็นอีกตึกที่ตั้งอยู่ถัดไปแล้วพี่คนดูแลหอก็พาไปดูห้องปุยฝ้ายพักอยู่ชั้นสองห้องที่ปุยฝ้ายพักจะอยู่ตรงกับประตูลิฟต์พอดิบพอดีเมื่อเปิดประตูเข้าห้องไปความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้ มันวังเวงชับกลยังบอกไม่ถูกแล้วมีลมอะไรก็ไม่รู้พัดผ่านหน้าไปแต่ในใจตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะพี่คนดูแลหอแนะนาอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็กลับไปปุยป้ายก็เดินไปถามแม่เลยว่ารู้สึกอะไรไหมพ่อแม่ของปุยป้ายเป็นคนมีเซนแต่ปุยป้ายก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ไม่อยากให้คิดมากหรือเปล่า แม่บอกกับปุยป้ายว่ารู้สึกเฉยๆปุยป้ายก็บอกโอเคถ้าแม่เฉยๆแปลว่าไม่มีอะไรหลังจากที่ไหว้สารตรงหน้าหอเสร็จปุยป้ายก็มาจัดของในห้องคืนแรกด้วยความที่พวกเราเดินทางไกลแล้วพ่อก็ขี้เกียจขับรถกลับไปนอนบ้านพ่อกับแม่และนาของปุยป้ายก็เลยนอนพักที่หอปุยป้ายก่อน เมื่อปิดไฟนอนกันขณะที่ปุยฝ้ายหลับอยู่นั้นปุยฝ้ายก็ฝันว่าหอปุยฝ้ายกลายเป็นตึกร้างมีผีอยู่เต็มไปหมดปุยฝ้ายกลัวมากวิ่งหนีเท่าไหร่ก็วนกลับมาที่เดิมอยูๆ่ๆก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นมาเมื่อหันมองไปตามเสียงหัวเราะนั้นก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยผิวขาวผมยาวมาก ปล่อยผมยาวให้ลากกับพื้นเธอคนนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ที่โยกได้ชุดของเธอเป็นชุดสีชมพูแล้วข้างๆก็มีผู้หญิงอีกคนยืนอยู่ตัวขาวซีดหน้าตาน่ากลัวมากกําลังมองมาที่ปุ๋ยป้ายแล้วผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อสีชมพูก็ชี้นิ้วมาที่ปุ๋ยป้ายและบอกให้ปุ๋ยป้ายเดินไปนับตุ๊กตาที่อยู่ติดกับทางเข้าหอ ซึ่งในตอนนั้นปุยฝ้ายเยนอยู่ตรงกลางหอด้วยความกลัวปุยฝ้ายก็เดินไปนับเขานับเสร็จก็นับได้อยู่หตัวแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกให้ปุยฝ้ายนับซ้าอีกพอนับอีกทีก็ได้สี่ตัวแล้วเขาก็หัวเราะหัวเราะแบบสะใจมากหลังจากนั้นทุกอย่างก็ค่อยคอยมืดจนมืดไปหมด ปุยฝ้ายรู้สึกตัวตื่นอีกทีก็เช้าแล้วพอเช้ามาปุยฝ้ายก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกกับปุยฝ้ายว่าเขาไม่ให้หวยหรือเปล่าแต่แม่ก็ไม่ได้ซื้อตกเย็นวันนั้นเป็นวันหวยออกแล้วหวยก็ออกตัวเลขนั้นจริงๆแม่ปุยฝ้ายก็ร้องกรีดรันเพราะเสียดายที่ไม่ได้ซื้อพอถึงวันที่มหาลัยเปิดเทอมแม่ปุยฝ้ายก็ต้องกลับแล้ว ปุยฟ้ายใจหายแวบเลยไม่อยากให้แม่กลับเพราะกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวตั้งแต่วันนั้นปุยฟ้ายก็ต้องอยู่คนเดียวในที่ที่ไม่คุ้นเคยช่วงแรกๆปุยฟ้ายก็นอนปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ฝันอะไรแต่พอมาช่วงหลังๆก็เริ่มมีอะไรแปลกๆคืนนั้นปุยฟ้ายมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจะหลับไปแล้ว แต่อยู่่ก็หายใจไม่ออกขยับตัวไม่ได้ความรู้สึกเหมือนโดนผีย่าตอนนั้นเหมือนตกอยู่ในผวังปุยฝ้ายลืมตาขึ้นสายตามองไปที่ปลายเตียงแต่ก็ไม่เจออะไรทันใดนั้นหางตาของปุยฝ้ายก็เห็นบางสิ่งที่ข้างเตียงเป็นผู้หญิงตัวดำเห็นใบหน้าแค่ครึ่งเดียวเธอคนนั้น ยืนหน้ามากว่าสิบข้างๆหูปุ๋ยฝ้ายบอกว่าขอบุญหน่อยทำบุญให้หน่อยเมื่อได้ยินเสียงนั้นปุ๋ยฝ้ายก็น้ําตาไหลออกมาด้วยความกลัวแล้วท่องพุทโธทำโมสังโคพ้องอยู่หลายรอบจนในที่สุดเธอคนนั้นก็ไปพอเช้าวันถัดมาปุ๋ยฝ้ายก็รีบไปทําบุญที่วัดแสนสุขทั้งถวายสังฆทาน ใส่บาตตอนเช้าที่หนองมนพอทำบุญเสร็จก็โล่งใจมากคิดว่าคงไม่เจออะไรแล้วแต่ผิดคาดพอตกกลางคืนก็เป็นเหมือนเดิมอาการผีอำมันกลับมาอีกแล้วแต่คราวนี้ไม่ได้มาตัวเดียวเหมือนคืนก่อนครั้งนี้มีวิญญาณมานั่งยืนเต็มห้องปุ๋ยฝ้ายพยายามขยับตัวแต่ก็ขยับไม่ได้ห้องนโมก็แล้วสวดมนต์ก็แล้ว ก็ยังไม่มีผลอะไรแล้วอยู่ๆก็มีเสียงผู้ชายตะโกนมาใส่หูปุยฝ้ายว่าทาบุญให้กูถ้าไม่ทำกูจะเอาไปอยู่ด้วยดนว่ความที่กลัวบวกกับความสงสัยว่าใครเป็นคนพูดปุยฝ้ายก็เลยเหลีบตาไปมองก็เห็นว่าเป็นผู้ชายร่างถั่มถึงแม้จะไม่เห็นหน้าแต่รู้สึกได้ว่าน่ากลัวมากจริงๆ ในใจตอนนั้นปุยฝ้ายคิดถึงหน้าพ่อกับแม่ทันทีท่องไว้ในใจตลอดเพราะเมื่อสวดมนต์แล้วไม่ช่วยอะไรก็ขอให้บุญของพ่อแม่คุ้มครองลูกด้วยแล้วก็ปรากฏว่าปุยฝ้ายหลุดละสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะตั้งสติได้ปุยฝ้ายก็คิดย้อนไปถึงความฝันแล้วเกิดความสงสัยว่าทำไมจะมาขอไม่มาขอดีๆ ทำไมต้องมาขู่ด้วยมันทำให้ปุ๋ยป้ายทั้งโกรธและกลัวก็เลยไม่สนใจที่จะทำบุญให้ถ้ามาขู่แบบนี้ก็จะไม่ทำบุญให้หรอกนะการกระทํานี้ของปุ๋ยป้ายมันเหมือนเป็นการท้าทายเลยทีเดียวแล้วปุ๋ยฝ้ายก็ไม่ทำบุญให้เขาจริงๆช่วงสายของวันถัดมาขณะที่ปุ๋ยป้ายขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ก็โดนรถชนจนสลบ แล้วกลิ้งไปกลางถนนตอนนั้นมีรถยนต์ขับตามหลังมากำลังจะทับปุยฝ้ายจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันพอรู้สึกตัวอีกทีปุยฝ้ายก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพี่ที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่เขาไม่วิ่งไปดึงปุยฝ้ายเข้ามาข้างถนนรถยนต์คันนั้น คงเหยียบหัวปุยฝ้ายไปแล้วต้องขอบคุณพี่เขาจริงๆตอนนั้นคิดว่าเป็นเพราะปุยฝ้ายไปท้าทายเขาหรือเปล่าที่ไม่ยอมไปทำบุญให้เขาอีกใจหนึ่งก็คิดว่าอาจจะบังเอิญก็ได้เมื่อพ่อแม่ปุยฝ้ายรู้ข่าวพ่อแม่ปุยฝ้ายก็รีบมาหาทันทีหลังจะกออกมาจากโรงพยาบาลพ่อปุยฝ้ายก็รีบพาไปทาบุญ แล้วไปเช่าพระเอามาไว้ที่ห้องปุยฝ้ายเรื่องมันดูเหมือนจะจบแล้วแต่ไม่ใช่เลยจากที่โดนผีอำทุกวันตอนนี้เปลี่ยนกายมาเป็นอำทุกวันพระแต่ปุยฝ้ายก็ยังฝืนทนอยู่ที่ห้องนี้ต่อไปไม่ยอมย้ายออกเพราะเสียดายเงินค่าประกันหลังจากนั้นปุยฝ้ายก็ต้องไปทำบุญทุกวันพระซื้อพวงมาลัยมาไหว้พระที่ห้อง เพื่อที่จะไม่ให้โดนอัมช่วงแรกๆ ก, ก็ทรมานมากเพราะกลัวมากจนไม่ยอมนอนไม่อยากกลับห้องอยากไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ห้องแต่หลังๆเขาเริ่มมาไม่บ่อยจะมาเฉพาะช่วงที่ไม่ได้ไปทำบุญแต่ผีที่นี่ก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียข้อดีเขาก็มีเหมือนกันเช่นมาให้หวยห่อปุ๋ยฝ้ายซื้อตามนี้ ก็ถูกติดต่อกันมาหลายงวดหรือมาเตือนเวลาที่จะเกิดอันตรายกับปุ๋ยฟ้ายมีครั้งหนึ่งปุ๋ยฟ้ายจอดรถติดไฟแดงอยู่พอไฟเขียวปุ๋ยฟ้ายก็กําลังจะขี่รถออกไปแต่ปุ๋ยฟ้ายก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อทำให้ปุ๋ยฝ้ายหันกลับไปมองแต่ก็ไม่เจอใครหรือมีใครที่รู้จักเลยแล้วรถมอเตอร์ไซค์คันข้างหลังปุ๋ยฟ้าย ก็ขี่แซงปุยฝ้ายไปก่อนปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนั้นโดนชนซึ่งถ้าเกิดปุยฝ้ายไม่ได้ยินเสียงนั้นคนที่โดนชนก็คงจะเป็นปุยฝ้ายเองต้องขอบคุณเขาจริงๆจนมีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งนี้ปุยฝ้ายไม่ได้โดนอัมแต่ฝันฝันว่าเป็นเด็กแฝดตัวติดกันสามคนมายืนคุยกับปุยฝ้ายพอคุยไปได้สักพักหนึ่ง เด็กสามคนนั้นก็ถามปุยฝ้ายว่าพี่อยู่ที่นี่เหรอหนูก็อยู่ที่นี่เหมือนกันอยู่มานานแล้วแม่ไม่มาหาพวกหนูสักทีในฝันตอนนั้นเด็กยืนอยู่ใต้ต้นโพเป็นต้นโพที่ใหญ่มากใต้ต้นโพก็มีสารเก่าๆอยู่เต็มไปหมดมีทั้งตุ๊กตาที่เขาใช้ว้ศาลทั้งน้ำแดงน้ำเขียวความรู้สึกในฝันตอนนั้น มันรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วปุยฝ้ายเลยพยายามเดินหนีแต่เด็กสามคนนั้นก็เดินตามเมื่อปุยฝ้ายเห็นดังนั้นก็เลยเริ่มวิ่งปรากฏว่าเด็กสามคนนั้นก็วิ่งตามปุยฝ้ายมาเหมือนกันพวกเขาตะโกนบอกว่าขอบุญหน่อยขอบุญหน่อยแล้วแขนขาของเด็กแฝดสามก็เริ่มหลุดออกมาทีละชิ้น ใบหน้าก็เริ่มเปลี่ยนจากหน้าตาน่ารักกลายเป็นหน้ากลัวปุยฝ้ายทั้งวิ่งหนีทั้งร้องไห้ให้ยามสวดมนต์แผ่เมตตาสวผดผิดๆถูกๆแต่เขาก็ยังวิ่งตามมาปุยฝ้ายคิดได้ก็เลยนึกถึงหน้าพ่อกับแม่สักพักก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาทั้งตัวปุยฝ้ายเต็มไปด้วยเหงือ่อตัวนิชุ่มไปหมดเลย ทั้งทั้งที่นอนเปิดแอร์อยู่เมื่อปุยฝ้ายเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังก็ไม่มีเพื่อนคนไหนกล้ามาหอปุยป้ายเลยแล้ววันนี้ที่รอคอยก็มาถึงปุยฝ้ายทนอยู่หอนี้มาจนครบหนึ่งปีพอวันที่จะย้ายออกก็ขนของออกจากหอแล้วเข้าไปคุยกับคนดูแลหอเพื่อที่จะเอาเงินค่ามดจำคืนเมื่อไปถึงคนดูแลหอก็ทำหน้ายิ้ม แล้วถามปุยฝ้ายว่าครบสัญญาหนึ่งปีแล้วเหรอคนอยู่มาได้ยังไงตั้งนานปุยฝ้ายได้ยินดังนั้นก็สงสัยเลยถามกลับไปว่าทําไมเหรอเปลาเปลถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ออกไปตั้งนานแล้วอยู่ไม่ไหวหรอกถึงจะได้ยินแค่นั้นแต่ปุยฝ้ายก็รู้เลยว่าเขาหมายถึงอะไรจากนั้นเขาก็คืนเงินประกันให้แล้วปุยฝ้าย ก็ย้ายมาอยู่หอใหม่ซึ่งก็ปกติดีไม่เจออะไรและแฮปปี้มากส่วนใครที่กำลังหาเช่าหอพักอยู่ก็ควรที่จะสืบประวัติหอนั้นให้ดีก่อนเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะได้เจอกับเหตุการณ์สยองขวัญ น, น่ากลัวแบบปุยไยหรือไม่ก็อาจจะเลวร้ายยิ่งกว่านั้น สัมผัสสยง